พระบัญญัติ470ก็ภิกษุใดยืนแอบฟังภิกษุผู้บาทมมางทะเลาะวิวาทกันด้วยตั้งใจว่าเราจะฟังคำที่ภิกษุพวกนี้กล่าวประสงค์เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรอื่นต้องอวดตายจิตตีเรื่องพระชพคีจบ